ใจปวดน้ำอุทิศอุสลให้แต่บรรพบุรุษของเราที่ร่วงรับไปแล้วแม่นานสลอดถึงเทพบุตรเทพเทพื้ดาให้สติเสถากร อ, อยู่นานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากภาวะแห่งความทุกข์และก็สอยสุขอันเกิดแต่การอุทิศของเรา มีคนเข้าใจว่าเราทำบุญเท่านั้นเทาน่านี้มัวแต่ทิศให้แกสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายเหลือเกินของเราจะเหลือเท่าไรอาจเข้าใจ น, นี้การให้บุญให้กุศลเหมือนการให้แสงสว่างโยมเมีเยนเล่มหนึ่งมืดแล้วยมก็จุดโยมให้คนเดินจุดต่อต่ อ, ต, อต่อไป ขยายเท่าไรก็สว่างเท่านั้นสว่างไปทั่วแผ่นเดินก็ได้แต่ไฟของเราหมดไหมไม่หมดยิ่งให้เขาต่อสว่างเท่าไรก็ยิ่งสว่างสวัยเท่านั้นไฟเราก็เหมือนเดิมเหลืออยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าจุดคนเดียวก็สว่างนม็ดเดียวแต่ถ้าแบนกุศลพลบุญเหมือนจะแสวงแสงสว่างของไฟขยายเท่าไร มันก็สว่างมากมายเแ่านั้นอุ่นของเรายิ่งจะเพิ่มพูนให้เข้าใจอย่างนี้งงๆอาตมาออกไปว่าเอา้าทำไมเขาเรียกลุลงพ่อสมศักดิ์ไม่ใช่เขเรียกลุงปูโ่โพหรือสว่งางคอยเจริญพรให้ทราบให้ทราบชัดเจนว่าอย่างนี้ยมชื่อเดิมนั้นอาตมาชื่อสมศักดิ์เติมมาก็เป็นพระครูนันทะปัญญาพร ต่อมาก็เป็นเจ้าคุณโพทินันทมุนีเด๋ยวนี้ราชวรรคุณเป็นพระโพธินันทมุนีเกือบยี่สิบปีแล้วคนกรุงเทพเรียกแต่เจ้าคุณโพเจ้าคุณโพย่อๆพอแก่ชราแล้วเขาเรียกลุงปูโพเลยติดปากลุงปูโพมาทุกวันทุกวันผมเพรา ะ, ะนั้นจะเรียกว่าลุงปูโพก็ถูกต้องเ อ, อดีดีกว่าเรียกลุงปูสมชักเนาะ ต้องปูสมจากมันจะหนุ่มเกินไปล <c oughs> ลงฟูโพมันก็เออมีความหมายบ้างก็ขอไม่ใช่ต้องการอะไรแต่เขาคืออยากให้ทราบเรารวมรวมก่อนไม่ใช่โฆษณาชื่อตัวเอ ง, ย ง, งอย่างนั้นอย่างนี้เจริญพรเพื่อแก้ควา ม, มงงงวยมงสงสยัยจสียดาไม่ไม่สับสนกันเรส่วนมากก็ในกรุงเทพนี่แหละที่บ้านอาจาร์มาไม่มีใครรู้จักลงฟูโพเรายใจจากกรุงเทพกุนกรุงเทพอยู่ เอวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งย่มชินวันครบอบๆปีหนึ่งปีหนึ่ ง, งเรียกว่าวันสงกรานหรือตรุษสงกรานตรุษแลว่าเคลื่อนมาเพื่อหาวันใหม่เมื่อก่อนประเทศชาติของเราบรรพบุรบุษของไทยเราแกล้งแต่วันวนี้ก็ถือว่าวันปีใหม่ก็คือวันตรุษสงกรานทันทือนี่สิบสามแต่ก็เอาตามแบบหลักสากลของเขา ก็เลยนะับวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่ตามหลักสากลของชาวโลกแต่เราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเสียเมื่อถึงวันปีใหม่ซึ่งเป็นการถือเป็นโบราณเก่าเราก็ถือโลกปีใหม่ตามหลักสากลนั้นมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสนุกสนานแบบชาวโลกแต่เมื่อพูดถึงรลึกถึงมันพระบุรุษ อันได้แกบิดามันดารวงตูลของเรานั้นเราจะนึกถึงได้ในวันตรุษสงกรานวันหนึ่งเจ้าวันศาสตรือวันเป็นวันวันแรมเดือนสิบครั้งหนึ่งย่วันเรียกว่าวันศาสตร์ของไทยแล้วก็วันตรุษสงกรานั้นแหะเป็นวันที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษของเรา ท่านผู้เจริญทั้งหลายบรรคําว่าบรรพบุรุษคือท่านผู้บังเกิดกล่าวให้แก่พวกเราหรือเกิดก่อนเกิดก่อนเราแล้วก็บังเกิดพวกเรามามีคุณอนันต์มากมายเหลือที่จะขนานับโบราณท่านบอกว่าสนองคุณอะไรได้แต่สนองคุณบรรพบุรุษนั้นสนองไม่สมําเร็จมีแต่คําว่าสองคุณสนองคุณไม่สมเด็จ จะให้แก้แหวนเงินทองให้ความเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิท่านก็ว่าไม่เสมอ จ, จะเส็จได้ก็ต่อเมื่อให้ความสบายใจและช่วยให้ท่านพ้นจากการทาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเอที่ว่าทําให้เสมอท่านไม่ได้นั่นเองยมขอโทษอายากจะพูดให้เด็ดขาดเลยว่าท่านทั้งหลายเราอยู่ในคันของบรรดา แปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนคลอดมาเราจะสนองคุณตรงนี้ให้เท่ากับท่านได้ไหมนะไม่ได้เราก็นั่งบนตักดื่มน้ํานมของท่านตลอดหลายเดือนเราจะสนองคุณตรงนี้ให้ท่านนั่งบนตักดื่มน้ํานมได้ไหมเท่าไหมไม่ได้และเราร้องหฮมเราง่ายเช็ดมูดคูดอะไรต่า ง, ง, งๆนานาอย่างที่ท่านป้อนข้าวป้อนแกงป้อนอะไร เหมือนกับตอนที่ท่านทำกับเราในสมัยเราเป็นเด็กนั้นเราทำได้เท่านั้นไหมททำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางสนองคุณเสร็จได้แต่เทียมเทียมเท่าๆทา่แต่ถ้าท่านก็ใดสนองคุณด้วยการประพฤติบัติพระองค์จึงทรงยกย่องว่าการสนองคุณิดามดานั้นมีสองลักษณะสนองคุณด้วยการาให้เทาาให้ของและใช้ ชีวิตแทนท่านาแทนที่ท่านเคยใช้แตเราอเนกประการหนึ่งประการที่สองสนองคุณด้วยการอยู่ในโอวาทของท่านธรมนาบิดามารดาปราถนาอย่างยิ่งปราถนาบุตรที่เจริญนอกงามปราถนาบุตรที่ประพฤติปฏิบัติงามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะสนองคุณได้อย่างอื่นท่านจึงบอกว่าอามิตสบูชา ปูชาโดยอมิตรเข้าของเงินทองก็เหมาะ ก, กับคนที่ลำบากหรืออยู่ในฐานะพ์พอๆกันสต่คนที่พอแม่เจริญงอกงามร่ำรวยมหาเศรษฐีแล้วเป็นเจ้าสนองคุณได้อย่างไรอันนี้ก็สนองคุณโดยอาเมตปฏิปปูชายะสนองคุณด้วยการอยู่ในโอวาทของท่านอยู่ในความเคารพนับถือท่านและประพึกตนให้เป็นคนดี ดำรงวงตระกูลของท่านให้ดีให้งามอันนี้ก็เป็นการสนองคุณก็สนองคุณท่านอันหนึง่งบางคนก็คิดง่ายเกินไปเพราะว่าเขาไม่ต้องให้เงินให้ทองบิดามดา่าของเขาเพราะว่าบิดามดาเขารวยแล้วตั้งใจแล้วมีทรัพย์สมบัติมากแล้วถ้าคิดอย่างนี้สำหรับคนกลางกลางก็ไม่ถูก ไอ้ที่ท่านรวยท่านรวยเพราะความรู้ความสามารถและความ เ, าเก่งกล้าคสามารถสังสมของท่านท่านมาได้รวยเพราะเราเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะร่ํารวยทรัพสมัติมากกว่าเราเท่าไหร่ท่านก็รวยเพราะท่านเราเราไม่อะไรช่วยท่านไม่อะไรให้เกือ้อกูลแต่ท่านเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือต้องให้อย่างเดียวถ้าพอให้ก็ต้องให้ เมื่อให้ไปแล้วท่านไม่เอาไปไหนแต่ท่านรวยมันก็เป็นของเราเมื่อท่านล่วงลับไปให้เข้าใจาให้ถูกต้องอย่างนี้ท่านรวยเพราะความสามารถเพราะความพยายามอ่าเพียรของท่านสั่งสมของท่านไม่ใช่รวยเพราะเราเพราะฉะนั้นเราฐานะที่เป็นบุตธธิดาของท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสนองก็สนองได้ทั้งสองอย่างเออทางอาเมตถ้าอาเมตเน้ก็ อาท่านบอกว่าไม่ไม่คงทนก็สนองด้วยการประพฤติตนตั้งตนอย่าให้เสียชื่อเสียงเมื่อท่านได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่ามีคนอื่นชมลูกเราว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็มีใจมากมายเหลือเกินยอมคนหนึ่งพูดให้ตะมาสะดุ้งหน้าเค็ดท่านไปใจของเธอมาบุญครองสมัยนานแล้วโยอม แล้วก็ยืนซื้อของตั้งของโย่ได้ยินคนกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงชื่อเด็กคนหนึ่งเด็กนักศึกษาคนหนึ่งใช่เป็นนักศึกษาปัญญาเราบอกว่าอู้เด็กคนนี้ดีมากยกย่องมากเรียนได้เรียนเก่งมีคนเคารพนักถือเชื่อฟังครูบาอาจารย์แม้ถ้าเราได้ลูกเหมือนอย่างเขาคนนี้เหมือนละลูกคนนี้เราก็คงจะสบายใจเสียแต่ลูกเราเนียย่ย แต่เด็กคนนี้น่ะครูก็ย่อๆครับแล้วเป็นชื่ อ, อเป็นลูกของโยมที่ได้นั่งห่างๆยืนห่างๆได้ยินเป็นลูกของเขาเพราะฉะนั้นชื่อคนอื่นเสียงคนอื่นที่พัฒ น, นาคุณงามความดีงามของลูกตนโดยที่พ่อแม่ได้ยินโดยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้จักกันได้ยินเด็ก็ชมลอกกันจน ท่านว่าปลื้มใจรีใจสบายใจ จ, ยจนกระทั่งว่าอาจจะเดินไปไหวเพราะโมจะลื้มใจกับเสียงที่คนอื่นก็ชมลูกโดนลูกของตัวเองเอา้าวอันนี้จะมาก็เคิดว่าเออนี่อย่างนี้ยมเชื่อ จ, จะดีแต่นี้ถ้าเกิดตรงกันข้ามที่ก็พูดถึงลูกของเราโดยเรารู้แต่ก็พูดตรงกันข้ามกับความประพฤติปฏิบัติและความเศร้าโศกสลดอกสลดใจแค่ไหนเปียงไร ท่าน น, นังหลายนี่แหละคือบิดามารดาเมีคุณนูปการต่อเราพระองค์จจรจัดว่าไม่สามารถจะสนองคุณของท่านได้และยกย่องถ้าท่านผู้ใดเอาคุณธรรมความดีจะเป็นภิกษุผู้บวชเรียนมาก็ตามลูกหลานที่เรียนรู้ปิญญาหรือมีความประพฤตปฏิบัติชอบก็ตาม ได้แนะนำหรือเกื้อกูลบิดาของเราให้มีศีลมีสติมีปัญญาแล้วอย่างนี้ท่านว่าเป็นการสลองคุณชั้นสูงเพราะว่าชาติต่อไปท่านจะขยับเขยื่อนไปสู่ขา้างหน้าแต่ถ้าให้เท้าของอท่านอาจอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือมันตกต่ำทําทให้ท่านตกต่ำอาจจะซื้อกําเนิดต่อไปตกต่ำก็ได้อันเน้นหนักมาก เพราะฉะนั้นวิธีสนองคุณจึงมีสองอย่างสนองคุณด้วยให้ความสุขความสบายด้วยอามิดสบูชาเข้าข อ, ขอเงินทองดูแลท่านพยายามชราช่วยตัวเองมาได้และเมื่อร่วงรับไปแล้วก็ทำบุญนุทิศให้อันนี้แหละเป็นการสนองคณประการหนึ่งประการที่สูงก็คือว่าแนะนำเกือ่อกูลนุนเนื่องท่านให้ท่านตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญา ท่านตัวจะก้าวหน้าไม่ตกต่าไปสู่สิ่งที่ตํารายกําเนิดต่อๆไปมีแต่ขยับไปขยับไปจนเข้าสู่พระนิพพานอันนี้สนองคนที่สูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ราลึกถึงวิดามารดาของเราที่ทำล่วงลับดับขันไปนั้นเราก็ยังราลึกถึงคนอยู่เสมอเมื่อถึงวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มาพร้อมเพรียงกันอย่างมากมาย อาตมานึกว่าบุญรำลึกถึงคุณผูมาจารย์ที่ทีโอทีออของเราเนื้อแจมเรียดยอมร่วมกันคงเจ็ดแปดสิบคนอะไรเท่านั้นมาก็เลยขัดใจปิดยอส่งน้ำถวายพัฒนหารยาวเหียดมากมายเหลือเกินเพราะเป็นโอกาสดีถึงที่ว่าเจ้านายของทีโอทีจะก่อนก็ได้ชักชวนยิโยอมทำบุญไม่เพียงแต่ทาบุญในวันสงกรานต์แถนั้น ทำบุญวันเกิดอาราธนาครูบาจารย์ทั้งหลายที่ญาติโยมเลือกสายได้มาเป็นประจำก็เป็นเหตุอันหนึ่งเมื่อพูดถึงทำบุญตรงนี้ใครๆก็อยากจะมาอย่างเช่นวันนี้ตั้งหลายร้องเพียงกันมาครูบาจารย์ก็ถูกได้มนไปที่อื่นแย่งกันไปแย่งอาตมาก็ต้องละสามแห่งเพราะอยากจะมานี่มากกว่า นมณบนไปที่อื่นก็มีแต่ทางนีนในมนฑก่อนก็ตือส่างบาระย่มเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทุกวันโดยเฉพาะท่านล่วงลับไปเรื่อยเมื่อมาานก็ผ่านมานี้ก็หลวงปู่สวงก็เป็นพระมหาทเจราโอนด้งก็ตามไปแล้ว คอยองค์แก่ๆต่อไปก็จะร่วงไปเรื่อยๆต่อไปก็ตมากับหลวงพ่อเจริญนั่งติดกันหลวงพ่อเจริญอายุมากกว่าตมาสองปีถ้าย่างไงคอยท่านไปก่อนอาตมาไปหลังไั่หลวงปู่เพราะฉะนั้นเนื้อคอยขยับขยับไปเป็นความจริงทั้งหลายไม่ใช่หลวงพ่อไม่พิจารณาเมื่อสิบเจ็ดปีนั้น อาลูพ่นั่งองค์ที่สิบแปดสิบเก้านอนก็ขยับขยับขยับเขยับมาองค์แต่และองค์ก็ตกไปเลยๆตัวไอ้ยอดกาลังจะตกตกไปเพนั่งหน้าผมเราไปก่อนเพราะผมนั่งหน้าท่านอะ่ะอันนี้ก็เลยไปตามลําดับอหุโศฟันเตแต่ไม่แน่นักดี๋ยวอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาหรือสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดมาการทําใช้ศัพท์อยู่แล้วว่าอะเนมิ ต, ตมนัญญาตังมัจยานางังหรือในชีวิตัง การตายล่วงรับดับคันชีวิตของคนทั้งหลายนั้นไม่มีดในเม็เครื่องหมายคือไม่มีคิวว่าเกิดตอนไปก่อนเกิดหลังไปหลังอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปตามลำดับยิ่งทุกวันแน่ยอยมอุบัติเหตุอุบัติภั ย, ต, ภยต่างๆนานาอ่าตมาพูดทีไรก็จะยาวเกินไปเพราะว่าหมายความว่าเรากว่าประเทศไทยเรานี้อุตสาหภูมิอกภูมิใจว่าเป็นประเทศ ที่ปราศจากภัยธรรมชาติไม่เหมือนประเทศอื่นเดี๋ยวแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอ่าใช่เราไม่มีภัยแบบนั้นแต่หานนึกใหม่ว่าภัยธรรมชาติองเรานั้นอ่ะยิ่งใหญ่กว่าเขามากมายนักประเทศอื่นเขาไฟระเบิดนั้นนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งและตายเก็บไม่มาส่วนพวกเรานั้น เกิดทุกปีลอยงแผ่นดินหวใหญ่ครั้งใหญ่ปีละสองครั้งโกปีลอยงแล้วก็มีตายมากมายรู้ก็รู้ระวังก็ระวังไม่เป็นไมเห็นทําลายสติติให้ตายน้อยบาดเจ็บน้อยได้เลยไว้ใหญ่ครั้งแรกก็คือวันที่หนึ่งมกราคมแผ่นดินไหวใหญ่ในไทยครั้งที่สองก็คือวันนี้ลอยง วันทรงกราณาโยมคอยฟังดูแล้วว่ามีคนเป็นอะไรและเป็นประจำทุปีไม่อาจจะป้องกันได้นี่คืออันตรายสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธแต่ละท่านจึงไม่ประมาทต่างคนต่างสร้างบุญสร้างกุศลนอกจากไม่ประมาทโ ด, ดยการเดินทางระมัดระวังตัวแล้วท่านไม่ประมาท ด, ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศล มีการทําบุญบุญสนอย่างมากมายทุกการทุกเวลามีการบวชถวายพระเจ้าอยู่หัวมีการบวชเป็นกรณีพิเศษมีการมราพึ่งปฏิบัติทำกระแสปฏิบัติยิ่งแต่มากขึ้นมาขึ้นนั่นคือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของเราเพราะประเทศเรานั้นมันมีอันตรายมากมายนักจากบาัติเหตุยวดยามต่างๆเมื่อเราเข้าใจได้ดังนี้แล้วอานสนสงผลบุญอันนี้แหละ ทำให้หนักเป็นเบาหรือเบาแล้วไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นจงตั้งใจรักษาไว้ให้ดีวันนี้เรามานึกถึงบรรพบุรุษได้สั่งทรงน้ำทว่าเอาพระสงฆ์เพื่อเอาบุญเอากุศลแก่เราและให้ท่านมีอายุยืนแล้วก็ให้เราปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บแล้วบุญกุศล น, นั้น เข้าถึงบิดามาดาต้องเราด้วยแล้วทำมหาบางังศับุณถาวายกุศลแก่บิดามาดาเราก็ได้ทำมาแล้วบุญใดอันจะพึงเกิดแต่การถวายพระสวดมนต์สมาทานศีลบุญเหล่านั้นเราก็ได้ทำให้เป็นไปแล้วบุญใดอันจะพึงเกิดแต่การถาวายพัตนาหารจักไตาบาตเราก็ได้ทำให้เป็นไปแล้ว บุญใดอันเกิดแต่การส่งนามพระหรือเกิดแ ต, ต่การตั้งใจฟวามกระสริธรรมบุญนั้นเราได้ปฏิบัติให้เป็นไปแล้วโดวยบุญกิริยาที่เราทั้งหลายบาเพลนอยู่อย่างมากมายในวันนี้พึ่งเป็นพล ร, ะระวังพึ่งเป็นพลวะปัจจัยหนุนเนื่องให้ชีวิตการ ง, งานมากที่ความสุขสบายความพ้นทุกข์และหนุนเนื่องจนถึงดวงวิญ ญ, ญาณของบิดามารดาของเรา ให้ประสบความสุขความสมเร็จยิ่งยิ่งึ้นไปตลอดกาลนานขอความสมเร็จความเจริญงกงามจงมเดท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิ